กาจจามวจะพิกเวสัมมาวายามุดูก่อนภิกษุทั้งหลายความภาคเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าเยสาพิกเวพิกุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี่ อนุปันนังปาปกานนังอนุสลาลังธรมมนังอนุปาทธายังันตังจเนติวายามติวิริยอาราปติที่ตังปวาันหาทิปทาติยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามสร้างความเพียน ราคองตั้งจิดไว้เพื่อจะยัยอยงอาคุลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นปุปันนานังปาปบากานางังอกคุสรนานังธรรมานังปาหานายยะจันตังจัเนติวายามติมิริยังอาราปติเจตังปากานาติปัสาติ ยอมทงความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามปรารบความเบียนปรากองทั้งคิดไว้เพื่อจาละอาปุสสรธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอาตุปปานานังปุสลานังธรรมานังอุปาทายะจันตังจะเนติวายามติ วริยามราปฏิจตตังปัจจันติปทาหะติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปราโรคความเบียนปรากองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอุศลรณธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นปุปปันตานังกุสลานังธรรมานังจิตยา อาตมโมทายายิโยภาวายาเวภุลายาภาวันายาปาริภุริยาจันตังจะเนปิวาญาติิเปริยังอาราปิเดตังปะกันหาติปะทัติย่อมทําความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายามการรบความเปี่ยนการองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลือเล่อนเรือนความมอบงามยิ่งขึ้นความภัยบุญความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว อายังอวจะติพิกรเวศมาวายโมดูก่อนพินสู่ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความ้าคเพียนชอบ